ตั้งกายให้เที่ยงกลงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ดูคนอื่นดูใจหลับตาพาทางนอกร็ดูใจดูจิตใจของเราให้ลวมเข้ามานึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธพระพุทธเจ้านี่สำคัญกว่าสิ่งใดๆกว่าที่เราจะได้มาเรียกท่านว่าพุทธโธ ท, ท่านตั้งใจบาเพ็ญทาน บำเพ็ทานมาสี่อสงไขยแสนมหากัจจึงได้มาตรัสลูกเป็นพระพุทธเจ้าคําว่าพุทธโธนี่พระองค์รักษาสินห้าสินแปดมาโดยลดําดับได้สี่อสงไขยแสนมหากัจจึงได้คําว่าพุทธโธนี่มา พระองค์เนคขมะบาลนีหรือว่ารักษาศีลอุโบสถมาสีอสงไขยแสนมาหากัจจจึงได้คำว่าพุทโธนี่พระองค์ฝึกหัดจิตใจให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคน โง่เขลาเบาปัญญามนานสี่อสงไขยแสนมหากรจึงได้มาคำว่าพุทธโธ ท, ที่เราภาวนานี้แล้วพระองค์ก็บำเพ็ญวิริยะบารามีคือว่าเป็นคนมีความภาคความเพียรความพยายามทุกอย่างบำเพ็ญมาอย่างนั้นสี่อสงไขยแสนมหากร จึงได้คําว่าพุโทโธนี้พระองค์บําเพ็ญขันติบาลมีขันติบรารมีมาสีอสงไขยแสนมหากะจึงได้คําว่าพุโทโธพุธโทโธที่เราภาวนาหนี้พระองค์บําเพ็ญสัจจะบาลมีมาสีอสงไขยแสนมหากะ จึงได้คำว่าพุทธโธพุทธโธนี้พระองค์บำเพ็ญบารมีอธิษฐานบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากรจึงได้คำว่าพุทธโธพุทธโธ ท, ที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญเมตตาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากร จึงได้คําว่าพุโทโธพุธโทโธนี่มาพระองค์บําเพ็ญอุเบกขาบารมีมาสีอสงไขยแสนมาหากรจึงได้คําว่าพุโทโธพุธโทโธที่เรานึกภาวนานี้คําว่าพุโทโธจึงไม่ใช่ของเล็กน้อยบําเพ็ญมาสีอสงไขยแสนมาหากรคําว่า อสงไขแล้วว่าจนนับไปไม่ได้แล้วยังเพิ่มว่าสีอสงไข่แสนมหากัปอีกจึงได้ตรัดนี้ก็ยังต่ำหรื อ, อยังได้ตรัสเร็วอย่างกลางพระพุทธเจ้าสุดแท้แต่ว่าองค์ใดชอบขนาดไหนก็ตั้งใจเอาอย่างกลางนั่นเรียกว่าแปดอสงไข่แสนมหากรัป อย่างสุดท้ายคือว่าสิบหกอสงไขกับแสนมหากรับจึงได้คำว่าพุทธโธพุทโธนี้ประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้านี้เป็นที่สักการะบูชาทั้งมนุษย์ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งมวลขึ้นชื่อว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้น ไม่มีผู้ใดดีวิเศษเกินพระพุทธเจ้าเกินพุทโธไปได้เวลาภาวนาโบราจณาาจา์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้น้อมนึกอํลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้มาสอนใจเวลาเรานึกพุทโธก็ให้เพ่งดูฟังเสียงที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็คือจิตเราเนี่แหละเป็นผู้นึกถึง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 ให้คิดภาวนาพุทโธนั่นแหละดีหรืออุบายอื่นใดก็ได้ทางนั่นแหละเมื่ออุบายนั้นยังจิตใจของเราทุกคนให้สงบระ ง, งับได้เกิดความสงบได้เกิดความสรดสังเวชมองเห็นศีลธรรมกรร ม, มาฐานได้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทางนั้นสมถะภาวนา ทำใจให้สงบให้ใจมั่นใจตั้งมั่นไม่ให้ใจงอนแงนคอนแคลนบอ่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้ใจมาสงบแนว่วโยในคำว่าพุทธโธหรือบทใดบทหนึ่งที่เราเอามาภาวน า, นาพิจารณานั่นหละส่วนจิตสังขารจิตมารจิตกิเลส จิตตัญหามาณนะทิฏฐิให้เลิกละทิ้งให้หมดไปไม่ต้องเอามายึดถือรวมใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคําว่าพุโทโธหรือว่านึกอะไรก็ตามเอาให้เหมือนกระลมหายใจเข้าออกคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในจิตในใจ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 หลงไหลไปตามความหลงลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญเอาความสงบเยือกเย็นไม่ได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งอกตั้งใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เราไปช่วยท่านตั้งใจท่านตั้งใจบำเพ็ญทานหลักษาสนลภาวนามาจนมาถึงวันตรัสรลดได้ ท่านทำเองปฏิบัติเองทั้งนั้นแหละเราก็ไม่ได้ไปช่วยท่านทาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความสามารถอ่านหนขึ้นมาในจิตใจของตน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 ผู้บวชแล้วอยู่ที่วัดก่อนจะหลับจะนอนก็ น, นั่งภาวนาอยู่ที่บ้านก่อนจะหลับจะนอนก็ไหว้ระสวดมนต์นั่งภาวนาให้ใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนแต่ว่าตอนแรกๆที่ใจคนเราไม่คุ้นเคยกับภาวนาก็มันก็เกิดความ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 มันก็ลุกฮือขึ้นมาไม่บ้านไม่เดือนก็ได้กิเลสในใจของเรานี่แหละถ้าาว่าเราไม่ภาวนาไม่ทําความเพียรละกิเลสในใจนั่นกิเลสความโรกรธกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงมันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อมันมีอยู่เป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟอยู่ในใจแล้วมันก็ดิ้น ด้วยอั น, นาจของกามาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามันว่าวุ่นไปหมดพเพราะจิตไม่สงบพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนพุทธบริสัท์สาวกทั้งหลายทั้งคฤหัสถและญาตโยมเทวดาอินพรมท่านสอนให้ตั้งใจให้สงบตั้งมัน่น อย่าได้วันไว้สันสะเทือนไปด้วยอารมณ์ใดๆทางนั้นแม่พระองค์เองในวันที่จะได้ตรัสสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าพระองค์เกิดมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว <c oughs> พระองค์ไปบวชจะเด็ดออกบรรพช า, าเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าในเขาป่าหิมาภาน โคเขาอินเดียเน่เขาฮิมาลัยท่ำกูหามีที่ไหนท่านไปแสวงหาภาวนาหมดทั่วหมดประเทศอินเดียกัว่าไหนภายในหกปีคิดดูว่าบำเพ็ญมาขนาดนั้นพระองค์ยังมาบวชแล้วแทนที่จะให้ได้สำเร็จง่ายๆก็ไม่ได้โยอย่างนั้นหกปีจึงมาถึง ทากลางแห่งประเทศอินเดียที่ว่าต้นไม้โพใกล้ลิ้นแม่น้ำเนลันฉละมั่วมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วก็ชอกอกชอบใจ <c oughs> คือว่าตามประวัติว่าต้นโพต้นนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าประสูติเกิดรูป ก, กาย พระองค์เกิดรูปกายประสูติปีนั้นต้นโพต้นนี้ก็อลิดอกออกผลจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นโพภายในสามสิบห้าปีต้นโพก่อเป็นล่มเ ง, งาใหญ่โตพระองค์เสด็จมาถึงก็ชอบใจจะนนั่งภาวนาให้เด็ดตรัรสลู้ที่กรงนี้และ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 ยังมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาย่าคามาแปดกรรมหอบอมาถวายพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้ตัดสลูกแขกต้องการจะให้ท่านปูนอนแต่พระองค์ก็รับเอาย่าคาทั้งแปดกรรมนั้นมาแล้วว่าเราจะเอาย่าคาทั้งแปดกรรมนี่แหละ ปูนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นตพุทธเจ้าให้ได้จึงเลือกสถานที่ภายในบริเวณต้นไม้โพนั้นว่าด้านไหนเป็นมงคลพระองค์ดูด้านทิศเหนือก็ยังไม่เหมาะดีทิศตะวันตกก็ยังไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะเมื่อมา ด, ดูทิศตะวันออก เห็นว่าเหมาะดีคือว่าตื่นเช้าเช้าตรู่ก็จะมีพระอาทิตย์ออกด้านนี้ทุกวันทุกวันพระองค์ก็เอายาคาทั้งแปดกรรมนั่นปูราดลงไปสลับกันไปสลับกันมาหมดทั้งแปดกรรมในด้านทิศตะวันออกต้นไมโพนั้นเมื่อพระองค์ปูเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิภาวนา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 เอาลมหายใจเข้าออกนี่มันแสดงอยู่เวลาสูดลมหายใจเข้าไปเย็นสบายหายใจออกมาก็สบายพระองค์ก็เอาอุบายคำว่าลมหายใจนี่แหละภาวนาระวังจิตใจของท่านไม่ให้ออกไปนอกจากลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจของพระองค์ เรียกว่าอนาปานุสติก ร, รมมธานระวังเอาลมหายใจมัดจิตใจจนอยู่แนวมั่นคงสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดเจตใจไม่ฟุ้งเฟอ้อเหอเหิมด้วยเหตุการณ์ใดๆนาพระทัยใจพระพุทธิจ้าก็เย็นสบายเรียกว่าสมถ า, ากรรมธาน ตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็จเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้เห็นร่างกายจิตใจตัวตนสัตบุคคลตลอดจนไปถึงผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระทิตย์พระจันทร์ภูเขาอะไรก็ตามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป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 เมื่อพระองค์กาหนดอย่างนี้ได้จิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างไม่หลงไหลไปตามลูกตามเสียงปิ่นรถโภทพระธรรมาลมในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสสู้พระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาลักีเลตลาคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้น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 ถ้ามีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มพระโอษคือว่าถ้ามองดูหน้าของพระองค์แล้วเป็นยิ้มแต่ไม่มีเสียงหัวเราะยิ้มแสดงยิ้มแย้มแจ่มใสพระอานนท์พุทธอุปัฏฐาก็ทูลถามได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนคือว่าอันนี้เรียกว่าวาสนาพระองค์เลิกได้ละได้ การถอยแพรพระพุทธศาสนา <c oughs> ของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ได้ตัดสู้แล้ว <c oughs> ก็ไม่นานที่เราเรียกว่าวันอาสาหะบูชาวันเข้าพรรษา <c oughs> เป็นการเวียนเทียน ล, ลึกถึงพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดปันเจว์กีหรือสีธงหะ <c oughs> ให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพาน เี่เมืองพาลานาสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารานาศขณะนี้ก็มีวัดไทยเราอยู่วัดหนึ่งแต่ว่าได้แขกเป็นเจ้าอาวาสเนมาอยู่เมืองไทยกลับไปอินเดียก็เลยหลวงพ่อพระโคเปนก็สร้างวัดให้นั่นที่หนึ่งได้พระแขกเป็นเจ้าอาวาส แต่ว่ามันเป็นแขกสมัยนี้ไม่ใช่แขกสมัยเก่าก็ต่างกันไปว่างมัวสาวกทั้งห้าองค์ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระองค์ไม่กลัวละเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอย่างคนเราธรรมดานี้ไม่มีแล้ว เมตต่จะมญเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแกก็มุ่งให้เขามีความสุขความสบายสอนทำเรื่อยไปพระองค์ก็เผยแผ่ไปอีกทางหนึ่งสาวกทั้งห้าองค์ท่านก็ห้ามมาให้ไปร่วมกัน ให้ไปคนลาทิตย์ละทางใครถนัดด้านใดทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ตะวันตกตะวันออกชอบใจทางไหนก็ไปแต่ไม่ไปหลายองค์เสียเวลา <c oughs> พระองค์ก็เทศนาสอนไปอีกทางหนึ่งไม่เอาสาวกมาปฏิบัติรักษาเอาความสุขความสบายอย่างคนเราธรรมดาก็ไม่เอา พระองค์ไปเองยืนเองนั่งเองนอนเองบินทบาทเองสันเองอะไรทุกอย่างไม่ต้องกังวลกับสาวกยึงมีพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเกิดมีขึ้นตอนเชา้าเรียกว่าภูบันเถรปินดปาตันจักเสด็จโปรดสัตว์ในทางบินทบาทตอนใบยบยเย็นเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่าสานเถธรรมเทสนัง ไป่โปดสอนอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงว่าคริหัดญาติโยมที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนับตั้งแต่เท่าพญามาหากริย์ลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญตอนเย็นเย็นก็เทศนาทุกวันญาติโยมโยบ้านใครมีเวลาว่างก็ไปฟังธรรมพระองค์แสดงแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสุดสูงสุด โู้ใดมีอินทร์บารมีแก่กล้าก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นญาติโยมก็ได้ตอนพบข่ำก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีผ้าขาวนางชีลือชีนักบวชคือว่าเป็นผู้ละจากคารวาดญาติโยมแล้วก็ให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความปีนละกิเลส ไม่ <c oughs> ให้มีความท้อถอยหลังจากสาวกเลิกลาไปแล้วอัตระเตเทวปัญหาหนังตอนเที่ยงคืนพระพุท ธ, ธเจ้าก็ไม่ได้หลับไม่ไน้นอนเหมือนพวกเราทั้งหลายพวกเรายังไม่เที่ยงคืนก่ออยากหลับแล้วง่วงแล้วพระพุท ธ, ธเจ้าเที่ยงคืนยัง แก้ปัญหาของเทวดาหรือว่าเทศนาให้เทวดาฟังอยู่ไม่ที่เศร้าเหงานอนเหมือนพวกเราทั้งหลายเมื่อเทวดาเลิกลาไปแล้วจวนจะแจ้งจะสว่าก็พิจารณาสัตว์โลกหมายตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนเทวดาอินพรหมผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้า พอจะโปรดได้สอนได้ในวันพรุ่งนี้มีหรือไม่ทั้งโลกนี้แหละทั้งมนุษย์และเทวดาถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปบินทบาทตามเคยเนรกิจห้าอย่างนี้แม่สาวกของพระองค์ในสมัยนั้นก็ไม่ทำไม่ได้เหมือนพระองค์ห้าอย่างไม่ได้จะได้ก็ บินทบาทมาฉันนั่นเองเท่านะั้นแล้วก็เทศนาสอนอการต้อนรับเทวดาสอนเทวดาก็จะได้เป็นบางท่านบางองค์นี่แสดงให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาที่จเจริญมาจนถึงพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้ พระพุทธเจา้าผู้เป็นต้นเป็นประธานเป็นพุโทโธเป็นผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันก็ว่าถ้าพูดคนเราสมัยนี้ก็เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาเต็มที่ส่วนสาวกก่อเผยแผ่ไปได้สำเร็จแล้วก็ส่งกันไปทั่วไปจนมาถึงบ้านไทยเมืองไทยประเทศไทยเรานี่แหละ จะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าภาษาวกไม่ได้มาถ้าไม่มาแล้วคนไทยจะมานับถือพุทธศาสนาไม่ได้ที่เรานับถือสักการะบูชาก็คือว่าคนไทยมันสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลน่นแหละแต่ว่าตำนานนั้นมันไม่ได้เขียนไว้ สมัยโบราณ น, นั้นมีแต่การลบลาค่าฟันเบียดเบียนกันยากโยกตำหนัดตําลาก็ฆ่าศึกเข้ามาโจมตีบ้านเมืองก็เผาทิ้งทําลายทิ้งอมันเป็นอย่างนี้บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ถ้าพระปองนี้ก็เถอดถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายมาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งนั้น ไม่มาอยู่เป็นหลักเป็นฐานจะมาถางป่าถางหนามออกหรือทําให้มันเป็นที่นั่งภาวานารับตามนึกพุทโธไม่ได้จะมาต้องตินั่นตีนี้แล้วก็กลับบ้านกลับเมืองเท่านั้นเองแต่ที่เราได้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าด้วยบุญบา ร, รมีพระพุทธเจ้าที่ท่านแผ่รับสมีมาจากเมืองนิพพานให้สาวกทั้งหลาย ญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญให้ทานรักษาสินห้าสินแปโดยเฉพาะวันออกปรรษาวันมหาปวรณาวันแรมค่ำหนึ่งที่นี่เพื่นก็มีตักบาทเทโวตักบาทเทวดาคือเป็นวันที่ถือนิมิตรว่าพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดแม่พุทธมารดาสามเดือนอยู่เมืองสวรรค์ ลงมาวันแรมคำหนึ่งก็ตักบาตรพระพุทธเจ้าตักบาตรสาวกในสมัยนั้นจึงได้มาร่วมกันแล้วก็ปีนี้ทางนครนายกก็ได้มาทอดกฐินหน้าฐานสำเร็จลลล่วงไปยังมีศรัทธานอนทําผาปลอกภาวนาอีกสักคืนอย่างน้อย หรือผู้ใดจะบวชอย่างพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจไว้อย่าไปทอดถอยอย่าไปกลัวบวชบวชมันสบายที่สุดละในโลกนี้ไม่มีอะไรสบายเท่าหรือผู้ใดจะบวชอย่างพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจไว้อย่าไปทอดถอยอย่าไปกลัวบวชบวชมันสบายที่สุดละในโลกนี้ไม่มีอะไรสบายเท่าแต่ว่ากิเลสในใจของเราต่างหาก มันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนพระพุทธลูกไม่ได้มันก็วุนวา ย, ยให้อยู่เหมือนพระพุทธลูกภาวนาพุทธโธพุทธโธอยู่มันก็อยู่ได้จึงให้พาการตั้งอกตั้งใจอย่ามีความท้อถอยพระพุทธเจ้าทรงตัดไ ว, ว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติ บุคคลจะล่วงทุกภัยไปได้เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรความมั่นความขยันในจิตใจไม่พ่อถอยแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมสำเร็จลุล่วงเป็นไปได้ดูพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพร้อมด้วยสาวกของพระองค์มีพระโมก ค, คันลาสารีบุตรพุธเวนายทั้งหลาย ท่านไม่มีความท้อแท้อ่อนแอมีความอดความทนความหมั่นความขยันขันแข็งในการประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่าอยู่ดีสบายท่านก็เล่งภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เตือนใจของท่านว่าเทวทูตเทวธรรมมาบอกมาสอนมาเตือนไว้ว่าผลที่สุดชีวิตของคนเราย่อมถึงซึ่งความแตกดับ คือความตายความตายนั้นมันไม่ใช่คำพูดมันเป็นความเจ็บปวดทุกขเวทนาลาาลานที่สุดความตายฉะนั้นท่านจึงตัดไว้ว่าความตายเป็นทุกขเราเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เกิดมาจนถึงวัยแก่วัยชราทุกคนนั้นก็ยังไม่หนักนวงเท่าวันแตกวันตายวันแตกตายนั้นเร็ว่าเจ็บปวดที่สุด จนเหลือทนล่ะทนไม่ไหวจิตก็ออกจากร่างไปบัดนี้เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่บุญกุศลยังให้โอกาสให้เวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาให้เน่นหนักไปในทางภาวนาทำความเียนละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของเรา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 มนุษย์เรามันมีความสามารถอาาฐานเห็นนั่นอย่าไปทอดแททอ่ อ, อนแอในหัวใจจงทำใจของตนให้ใหญ่เท่าลูกมะพร้าวยอย่าไปให้มันใจหิวแห้งกระจอยงอยอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นภาวนายืนหยัดต่อสู้กิเลสความโกรธความโลภความหลงฟาดฟันกิเลสในหัวใจของตนให้วอดวายไป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 สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตตะวันตราโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปจายิโนจ ต, ตาโรโธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพาลัง